สวัสดีครับพี่น้องนี่คือเสียงจากสิทธิพิบานะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราอยู่ในกฎทองคำประเด็นที่15ของกฎที่13นะครับกฎแห่งความสมดุลในชีวิตของเรานั้นก็จ้องเป็นจะต้องประกรอบไปด้วยความสมดุลคือจะมีประเด็นหลายสิ่งหลายอย่างครับในชีวิตของเราในความคิดในคำพูดในการกระทาของเรานั้นจะต้องสมดุลกันครับ เมื่อมีความสมดุลกันทุกอย่างก็จะสามารถเดินไปได้ด้วยความเรียบร้อยด้วยความดีงามพี่น้องครับในเช้าวันนี้ประเด็นที่15เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสมดุลระหว่างผู้กระทาและผู้ถูกกระทาความสมดุลระหว่างผู้กระทาและผู้ถูกกระทา พ, พระเจ้าในเช้า ว, วันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อครับพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทากิจอยู่ภายในท่านให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์โปรดฟังอีกครั้งครับเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้กระทากิจอยู่ภายในท่านให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์ เพียงครับเราจะเห็นนะครับว่าท่านอักขัดทูตเปาโลนั้นแยกแยะให้เห็นชัดเจนระหว่างสถานภาพของความรอดและการดําเนินไปหรือเกี่ยวข้องกับเวลาที่เริ่มต้นความรอดไปจนถึงสุดปลายของความรอดท่านแยกชัดเจนครับระหว่างสถานภาพกับการดําเนินไปการกระทําหรือเวลานั่นเองการให้เข้าสู่สถานภาพของความรอดนั้น เรารู้ได้ครับว่ามาจากพระคุณของพระเจ้าเป็นความเชื่อที่เรานั้นได้ตอบสนองต่อพระคุณของพระองค์และจากความรอดนั้นเองที่มาจากพระคุณของพระเจ้านั้นมันเกิดจากพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทํากิจภายในตัวเราครับพี่น้องจะเห็นนะครับเราทั้งหลายเพียงตอบสนองแค่รับเชื่อเท่านั้นการรับเชื่อนั้นก็คือการที่เราจะต้องรับ ด้วยปากและเชื่อด้วยใจครับว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับในเอเฟซัสบทที่สองข้อที่8ได้กล่าวว่าด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเองกระทําเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้โปรดฟังอีกครั้งครับ ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้เอเฟซัสบทที่2ข้อ8นะครับพี่น้องครับพระคัมภีร์ข้อนี้สมควรที่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะได้ท่องจำไว้ครับการที่เราทั้งหลายรอดก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อไม่ใช่ตัวเรากระทาเองนะครับไม่ใช่ตัวเราสามารถที่จะช่วยตัวเองได้แต่เรารอด เพราะความเชื่อโดยพระคุณของพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราเข้าสู่สถานภาพของคนที่ได้รับความรอดแล้วเราเป็นผู้ถูกกระทําครับเราเป็นผู้ถูกกระทําเห็นไหมครับพี่น้องชัดเจนมากนะครับว่าเราเป็นผู้ถูกกระทําแล้วใครกระทําครับพระเจ้าเป็นผู้กระทําและท่านอัครทูตเปาโลนั้นสอนให้เรามีท่าทีที่เคร่งครัดเราจะต้องยำเกรง เราจะต้องสะทกสะทานขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในความรอดที่เราได้รับฟรีๆเปล่าๆนี่แหละครับในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่เราจะต้องเท่งครัดเอาจริงเอาจังเราจะต้องสะทกสะทานกับการปฏิบัติตัวการดำเนินชีวิตที่อยู่ในความรอดนี่เองก็จะกระทาให ความรอดที่เรามีอยู่นั้นสมบูรณ์แบบครับซึ่งเป็นคอนเทนต์หรือเนื้อหาของความรอดที่พระเจ้าติียมให้กับเราเป็นการพิสูจน์ถึงความรอดที่เรามีอยู่นี่คือความกะตะัตลลรล้นครับทีนี้พี่น้องครับเราต้องเป็นผู้กระทำเองแล้วครับเราต้องมีใจปรารถนาเหมือนกับที่พระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่2ข้อบอกว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้กระทำกิจหรือเป็นผู้ที่ประรานให้เรามีใจปรารถนา ให้เรามีใจกระตือหรือล้นในการที่จะแสวงหาแสวงหาชีวิตที่บริสุทธิ์แสวงหาความรอดที่สมบูรณ์แบบนั่นหมายความว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องตอบสนองให้ความรอดที่เราได้รับนั้นสมบูรณ์แบบครับเพราะฉะนั้นเราเองจึงต้องมีความสมดุลในเรื่องนี้พี่น้องครับต้องตั้งใจต้องใช้ความตั้งใจของเราเองนะครับด้วยความเพียรพยายามของเราครับ ที่จะทำให้ความรอดนั้นสมบูรณ์พระเจ้าผู้ทรงกระทากิจอยู่ภายในให้เรามีใจปราจนาให้เราประพฤติตามชอบพระไถยของพระองค์ทั้งอาร์เธอปาโลเตือนเราอีกข้อหนึ่งครับว่าถึงแม้ว่าเรามีความตั้งใจในการดำเนินต่างๆเรื่องต่างๆด้วยตัวเราเองนั้นก็ยังเป็นการกระทาโดยพระกรุณาจากพระเจ้า พิรุธภาพเราเห็นนะครับว่าพระคุณของพระเจ้าพระความรักของพระเจ้าพระกรุณาของพระเจ้านั้นครอบคุมครอบคุมตั้งแต่เริ่มต้นความรอดนะครับซึ่งเราเป็นผู้ถูกกระทําและครอบคลุมไปจนถึงเราเองเป็นผู้กระทําเป็นผู้ที่มีใจป ร, รารถนาเราก็ได้รับการดูแล KIR จากพระเจ้าเราก็ได้รับการกระทํากิจของพระเจ้าจนกระทั่ง ไปถึงการที่เรามีความตั้งใจมุ่งมั่นการกระทาของเราพระเจ้าก็อยู่ตรงนั้นครับเราถูกกระทาโดยการกระทาของพระเจ้าความตั้งใจมุ่งมั่นของเราเราก็เกิดขึ้นโดยการกระทาของพระเจ้าความปรารถนาที่จะประพฤติให้ชอบพระไทยของพระเจ้าก็เกิดจากความที่พระเจ้าได้ทรงกระทาประทานให้กับเราพี่น้องครับนี่คือ พระกรุณาคุณของพระเจ้าครับพระเจ้าจะทรงกระทาให้สำเร็จเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นก็ได้รับจากพระเจ้าการกระทาด้วยความตั้งใจของเรานั้นเบื้องหลังก็เกิดจากการดนใจจากพระคุณของพระเจ้าผลักดันไปสู่ความสำเร็จครับพี่น้องครับพอพูดไปพูดมาพี่น้องจะรู้สึกว่ามันทำไมลึกลับซับซ้อน ยอกย้อนกันขณะนี้จริงๆแล้วครับผมอยากจะอธิบายว่าแท้จริงไม่ว่าจะเป็นแรงปรารถนาก็ดีนะครับใจปรารถนาที่อยากจะทำดีก็ดีหรือการกระทำดีก็ดีล้วนแล้วแต่ล้วนแล้วแต่ได้มาจากพระคุณของพระเจ้าทั้งสิ้นล้วนแล้วแต่เป็นพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังสึ่งต่างเหล่านี้ทั้งสิ้นและในขณะเดีวยวกันครับ ความเชื่อของพวกเรานั้นไม่ใช่แค่พลังของพระเจ้าอย่างเดียวแต่เป็นการผสมผสาน ร, ระหว่างพลังของพระเจ้าและพลังของตัวเองการที่เราเองนั้นจะต้องมีความสมดุลในเรื่องนี้จึงทําให้ชีวิตของเรานั้นได้ไ ว, ว้วางใจพระเจ้าครับเราไม่ได้พึ่งการกระทําของตัวเองที่จะไปถึงความรอดแต่เราได้รับความรอดโดยการกระทาดีของพระเยซูครับ โดยการกระทําที่ชอบทำของพระเยซูพี่น้องครับชีวิตคริสตรเตนของเรานั้นจะต้องเป็นชีวิตที่พึ่งพาพระเจ้าตลอดเวลาครับแต่ในการเดินกันเราก็ไม่ใช่งอมืองอเท้าที่จะรอให้ความดีมาชนเราไม่ใช่ครับแต่เราต้องมีความมุ่งมั่นปรารถนาต้องมีใจปรารถนาที่จะปรารถนาอยากจะประพฤติตามชอบปฏิทัยของพระเจ้านี่แหละครับเป็นความสมดุลและ เราทำจริงๆด้วยเราทำจริงๆด้วยพระเจ้าจะเสริมกำลังเราพระเจ้าจะช่วยเราให้เราทำได้พี่น้องครับในเช้าวันนี้หากเรามีใจปรารถนาที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่ดียกตัวอย่างเช่นเราอยากจะมีวินัยในการอ่านพระเจ้าของพระเจ้าและอธิษฐานเราอยากจะทำสิ่งที่ดีๆให้กับคนอื่นเราอยากจะลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้า ด้วยความปรารถนาดีด้วยความรักในพระเจ้าหรือเราอยากจะไปขอโทษใครบางคนที่เราเคยทำผิดกับเขามาก่อนเราอยากจะยกโทษให้กับคนบางคนที่เขาเคยทำผิดกับเรามาก่อนเพื่นครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่หลายครั้งทีเดียวเราทำได้ยากเพราะอะไรครับเพราะว่าแม้ว่าเราจะมีใจปรารถนาแต่ว่าความคิดต่างๆที่ไม่ดีความกลัว ความท้อแท้ใจการขาดซึ่งกําลังใจแรงจูงใจที่เพียงพอที่จะผลักดันเราให้เราทําสิ่งเหล่านี้ให้เราอาธิษฐานขอจากพระเจ้าครับพี่น้องให้เราอาธิษฐานขอจากพระเจ้าเพราะว่าอะไรครับพระเจ้าจะประทานแรงจูงใจที่เพียงพอพระเจ้าจะประทานใจปรารถนาความกระตือรือร้นความมุ่งมัน่นแรงกล้าให้กับเราครับด้วยความ การพึ่งพาในพระเจ้าเราจะได้สามารถกระทําในสิ่งที่เราอยากจะทําเพื่อพระเจ้าได้กระทําสิ่งที่ดีงามที่เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าได้นี่คือประสบการณ์การทรงนำของพระเจ้าอีกแบบหนึง่งซึ่งเราจะพบเฉพาะลูกของพระเจ้าเท่านั้นลูกของพระเจ้านั้นก็จะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเขาและเขาจะขับเคลื่อนโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ าา เ, เขเ า, สเาสามารถเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังของพวกเราพี่น้องครับเราสามารถเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังพวกเราพี่น้องครับเราต้องมีความสมดุลพระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นการดีพระเจ้าเป็นผู้เริ่มกระทาการดีในชีวิตของเราโดยพระคุณของพระเจ้าโดยความรักเมตตาของพระเจ้าเราเองเนั้นตอบสนองครับ ไม่ใช่พึ่งตัวเองแต่พึ่งพระเจ้าแต่เราเองต้องตอบสนองตอบสนองโดยการที่เราจะต้องมีใจปรารถนานและลุกขึ้นไปทำสิ่งที่ดีเพื่อตอบสนองตอบพระคุณความรักของพระเยซูอาเมน